จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่19ธันวาคมพุทธศักราช2545ตรงกับวันขึ้น15ค่งเดือนอ้ายปีมะแมเป็นวันพระวันธรรมรวนา วันฟังธรรมญาติโยมก็ได้มาร่วมกันทาบุญทากุศลกันในวันนี้การทาบุญก็คือการทำความสุขให้กับจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานรักษาศีลส่วนการทำความทำกุศลก็คือการทำความฉลาดซึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรม เกิดจากการปฏิบัติธรรมการที่คนเราจะฉลาดมีปัญญาอยู่เหนือความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ก็ต้องมีปัญญาคือธรรมะของพระพระเจ้าอยู่ในใจและการที่เราจะมีธรรมะอยู่ในใจได้ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมในเบื้องต้นเมื่อฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้ว เราก็นำไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วธรรมะก็จะเข้าสู่ใจของเราเมื่อธรรมะมีอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะมีเครื่องมีน้าดับทุกมีเครื่องดับทุกใจของเราจะไม่ทุกจะไม่วุ่นวายจะไม่มีความว้วาวุ่นขุนมัวจะไม่มีความเศร้าหมอง ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเพราะเรามีธรรมะไว้คอยกําจัดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีความกังวลใจมีความว้าวุ่นกุ่นโม่เราต้องแก้ปัญหานี้ที่ใจเพราะปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นภายในใจ ไม่ได้อยู่ภายนอกสิ่งภายนอกเช่นบุคคลต่างๆวัตถุต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆเพียงแต่เป็นชนวนที่ไปจุดหรือไปปลุกความทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจดังนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ขอให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกเข้ามาแก้ปัญหาภายในใจ เพราะใจของเรากําลังฟุ้งซ่านกาังคิดแบบไม่รู้จักหยุดจักรยอนถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับรถที่วิ่งลงเขารถที่วิ่งลงเขาถ้าเราไม่เบรกไม่ทําให้หยุดไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องแหกโคงตกเหวไปในที่สุดฉันใดถ้าเรามีความไม่สบายใจ <c oughs> มีความทุกข์มีความ <c oughs> ว้าวุ่นขุ่นโมในใจ เราควรจะรีบหันเข้ามาที่ใจเราระงับสิ่งเหล่านี้ทันทีอย่าไปกังวลกับสิ่งภายนอกที่สร้างความวุ่นวายใจสิ่งภายนอกเป็นเพียงแต่เป็นชนวนเท่านั้นเองเราต้องมาทำลายเหตุที่มีอยู่ภายในใจของเราเหตุที่ทาให้จิตของเราว้าวุ่นขุ่นมัวมีความทุกข์ก็คือความคิดปรุงความฟุ้งซ่านนี้เราต้องระงับ ควาคิดพวกนี้ในเบื้องต้นก่อนด้วยการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธภายในใจก็ได้หรือ <c oughs> สวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้ที่เราจําได้ไม่ต้องเป็นบทที่ยาวบทไหนก็ได้สั้นๆก็ได้เช่นคําว่านะโมตัสสะพระกัโต อรหะโตสัมมาสามพุทธะก็ได้ขอให้เราระลึกถึงบทสวดมนต์นี้ในใจของเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นพยายามอยู่กับบทสวดมนต์นี้เพราะจะเป็นอุบายแห่งการระงับความคิดปรุงที่สร้างความฟุง้งซ่านสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะว่าใจของเรานั้นทำงานได้คิดปรุงได้ทีละอย่าง จะคิดสองสามเรื่องทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้ถ้าใจมีพุทธโธอยู่ในใจหรือดูรลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ความคิดอย่างอื่นก็จะคิดตามขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับบทใดบทหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์บทพุทธโธหรือกำหนดดูรลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้จิต กระโดดไปหาเรื่องที่สร้างความวุ่นวายใจไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงและในที่สุดก็จะสงบนิ่งไปเมื่อสงบนิ่งไปแล้วใจก็จะกลับมาสู่ความปกติมีความสงบมีความเย็นมีความสบายมีความสุข เ, เมื่อจิตมีความเป็นปกติแล้วเราก็จะเริ่มเห็นโทษของความคิดปรุงแต่งของของเรา ที่ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆเมื่อใจของเรามีความสงบแล้วใจของเราก็จะเริ่มมีเหตุมีผลคือมีปัญญาขึ้นมาเริ่มมองเห็นความความเป็นจริงแล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากใจที่ไปอยากกับเรื่องราวต่างๆภายนอก เช่นอยากให้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งของต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการตามความอยากก็จะเกิดความว้าวุ่นขุ่นัวเช่นอยากจะให้สามีหรือภรรยาอยู่กับเรามีความซื่อสัตย์ ก, กับเราแต่ กับไม่ได้เป็นดังที่เราต้องการกันใจเราก็จะเกิดความว้าวุ่นขุนบัวกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยธรรมะคือในเบื้องต้นเราทําใจให้สงบก่อนเราเริ่มเรื่อ ม, มเขาไปเสียก่อนเขาจะดีเขาจะชั่วอย่างไรตอนนี้เราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปสนใจตอนนี้เรามาทํา ใจของเราให้เป็นปกติเพื่อก่อนตอนนี้ใจของเรากำลังไหม้ด้วยความทุกข์ไฟแห่งความทุกข์กำลังเผาแผลน์ใจของเราเราจะมัวไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาทำไมยิ่งไปยุ่งมันก็ยิ่งทำให้ไฟในใจของเรายิ่งไหม้ลุกขึ้นไปมากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเราต้องรีบดับไฟเสียก่อนในใจของเราเหมือนกับบ้านของเรา เวลาไฟไหม้บ้านเราเราต้องรีบดับไฟที่บ้านของเราก่อนไม่ใช่เราจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ว่าทาให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาที่บ้านของเรามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเรารีบหาน้มมาดับไฟเสียก่อนจะดีกว่าเพราะว่าไฟมันจะได้ดับได้ถ้าเรามัวแต่ไปโทษคนนั้นโทษสิ่งนี้แล้วไม่ได้มาหาน้มมาดับไฟ ใจของเราในที่สุดบ้านของเราในที่สุดก็จะไม่หมดสิ้นไปใจของเราก็เป็นเช่นนั้นปัญหาอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจไฟอยู่ในใจต้องดับไฟในใจเสียก่อนและสิ่งที่จะดับไฟในใจได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในโลกนี้นั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นถ้าเราไม่ฉราไม่มีปัญญา พอที่จะไประ ง, งับดับได้เราก็ต้องใช้อุบายแห่งสมาธิดังที่ได้แสดงไว้คือให้กำหนดจิตให้อยู่กับธรรมะบทใดบทหนึ่งจะเป็นบทสวดมนต์ก็ได้เป็นพุทโธก็ได้หรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้ดูไปให้ปฏิบัติไปจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความสงบไฟในใจดับไปแล้วถึงแม้จะไม่ดับอย่างถาวร อย่างน้อยที่สุดก็ดับในขณะนี้เพราะสมาธินี้ไม่สามารถดับไฟได้อย่างถาวรเพราะสมาธิไม่ได้เข้าไปขุดลากขุดลากโคนของต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปได้สิ่งที่จะถอนรากถอนโคนของความทุกข์ให้หมดไปได้นั้นต้องเป็นปัญญาแต่จะต้องทาหลังจากที่ใจของเรา กลับมาเป็นปกติเสียก่อนใจของเราสงบใจของเราเย็นใจของเรามีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์โกรธโรคหลงครอบทางอยู่เพราะถ้ายังมีอารมณ์อยู่ยะงไม่มีทางที่จะอบรมสั่งสอนใจให้เข้าใจได้ดังนั้นในเบื้องต้นเมื่อเราเกิดความว้าวุ่นขุ่นวัวขึ้นมาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราสามารถแก้ได้ทันที ถ้าเราหลีกออกจากเหตุการ์ได้ก็ดีไปหามุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าไม่มีที่ไหนก็ลองไปนั่งในห้องน้ำก็ได้อยู่คนเดียวหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธสวดมนต์บทใดบทหนึ่งหรือกำหนดดูลมหายใจก็ออกอยู่ในห้องนั้นไปจนกว่าใจมันจะเป็นปกติกลับมาเป็นธรรมดาความทุกข์ความว้าวุ่นที่มีอยู่ในใจ ให้มันหายไปเสียก่อนเมื่อหายไปแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ปัญญามาถอนรากถอนโคนความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เราย่อมทําได้โดยใช่เหตุผลเช่นเราต้องถามตัวเราเองว่าบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเราไปบังคับเราไปควบคุมได้หรือไม่ ถ้าเราบังคับได้ควบคุมได้แก้ไขได้เราก็ไปแก้ไขคือบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้<ม>ก็พอจะดูแลแก้ไขกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็แก้ไขไม่ได้ห้ามไม่ได้ใจของคนอื่นเขาเราไปบางทีก็ห้ามเขาได้พูดกับเขาดีๆ ด, ด้วยเหตุด้วยผลเขามีความเห็นตรงกันเขายอมรับเขาก็ ทำได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่ในบางกรณีเขามีความรู้สึกนึกคิดตรงกันข้ามกับเราไม่เป็นไปดังที่เราต้องการ เ, าเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เราก็ยังจะต้องมีความว้าหุ่นขุ่นบัวกับคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลา เช่นถ้าเขาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปมีแฟนเราขอร้องเขาพูดกับเขาดีๆเขาไม่ยอมเขาก็ยังจะทำอยู่อย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเราไปห้ามไม่ให้ไฟมันร้อนไม่ได้ไฟมันย่อมร้อนหรือไปห้ามไม่ให้มะ น, นาวมันเปรี้ยวไม่ได้ฉันใดคนชั่วคนเลว คนที่จะเป็นอย่างนั้นเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อเขาอยากจะนอกใจเราไปมีแฟนใหม่ก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยความเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราเราควบคุมได้บางครั้งบางคราวบางเวลา บางคนแต่เราจะไปควบคุมตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เมื่ออันไหนเรารู้แล้วว่าเราควบคุมไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราก็ปล่อยวางเสียปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องต้นของเขาถือเสียว่าบุญของเรากับเขามีเพียงเท่านี้ก็ต้องแยกทางกันไปก็ไม่เป็นไรตัวใครตัวมัน เพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีเพราะคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นไม่เขาตายก่อนเราเราก็ตายก่อนเขาหรือไม่เช่นนั้นก็ตาย พ, พร้อมๆกันแต่ยังไงยังไงมันก็ต้องแยกกันอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะสบายใจเรายอมรับความจริงได้นี่แหละคือวิธีแก้ไขปัญห้ด้วยปัญญา เราเข้าไปแก้ไขที่รากของมันเลยที่โคนของมันถอนออกมาทั้งรากทั้งโคนแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์กับคนคนนั้นอีกต่อไปคนกันนนั้นเขาจะร่วมรืองเขาจะมีความสุขเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะมีความทุกข์ความหายนะอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนอีกเป็นล้านเป็นเป็นพันล้านคนในโลกนี้ ที่ใจของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ไปได้ไปเสียกับสิ่งบุคคลเหล่านั้นเราก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นปัญหาของเรามันอยู่ที่ใจเราที่ดันไปมีความอยากมีความอยากมีได้มีเสียกับบุคคลนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆหรือกับเหตุการณ์นั้นๆเมื่อเรามีได้มีเสียแล้วใจของเราจะภาวะโผวน เหมือนคนที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่เขามีได้มีเสียละใจเขาจะต้องภาวะพววนรอดูว่ามันจะออกมาเลขอะไรไม่ไม่มีไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นใจจะมัวว้าวุน่นกำวลอยู่กับไอ้เลขที่กำลังจะออกมาแล้วถ้าออกมาไม่ถูกใจไม่ถูกก็เกิดความเสียใจขึ้นมาแต่คนหนึ่งที่ไม่มีความ ได้ไม่มีการได้การเสียกับหวยเลยก็คือไม่ได้ซื้อเลยคนอย่างนั้นเขาก็ไม่เดือดร้อนจะออกมาเลขไหน mm hmm. ก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ได้ได้เสียกับสิ่งเหลนั้นคนนั้นแหละเป็นคนฉลาดเขามีส ม, มะถะคือเขามีสันโดษความยินดีตามมีตามเกิดของเขาเขาพอใจกับการทํามาหากินด้วยความสุดเจริญเขาไม่ได้หวัง ความร่ารวยจากลงๆตั้แงแต่เช่นการซื้อหวยเพราะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อหวยเน้นล้วนแต่ผิดล้วนแต่ไม่ถูกทั้งนั้นมีคนส่วนน้อยที่จะถูกหวยกันคนส่วนใหญ่จะมีแต่เสียเงินแลวเงินที่เสียไปนี้ก็เอาไปให้คนที่ถูกหวยนั่นแหละแล้วก็แบ่งกับที่เหลือก็แบ่งให้กับเจ้ามาอือไปดังนั้นคนที่จะได้ก็มีอยู่สองสองพวกคือคนถูกหวยซึ่งมีไม่กี่คน กับเจ้ามือเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปแทงหวยที่ไม่ถูกหวยนั่นะเป็นคนเสียเงินไปโดยใช่เหตุแทนที่จะเก็บเงินนั้นไว้ก็ก็เลยต้องสูญเงินไปถ้าเราเป็นคนมักนน้อยสันโดษมีเงินทองเราก็พยายามอดออมเก็บรักษาไว้ เชื่อไหเพียงเวลาไม่กี่ปีเงินที่เราเก็บนั้นจะมีมากกว่าเงินที่เราได้จากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่เสียอีกแต่เราไม่เราใจเราไม่เย็นใจเราถูกความโลภความอยากครอบทาอยู่อยากจะได้รวยเร็วๆนั่นเองจึงหาเงินด้วยทางรัดกันเลยแทนที่จะรวยก็ยิ่งกับจนลงไปเสียอีกนี่เป็น เรื่องของอวิชชาความไม่รู้จริงลือโมหะความหลงพาให้ใจเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็เลยต้องอยู่ในท่ามกลางของความทุกข์แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่มีธรรมะแสงสวา่างคอยชี้ทางว่าทางแห่งความสุขนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าเราได้ศึกษาธรรมได้ยินได้ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอเราจะรู้ว่าความสุขนั้นมันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่รอให้เราตกให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองเหมือนกับเรามีไฟอยูในบ้านเราแล้ ว, ลวเพียงแต่รอให้เราเปิดสวิตช์ไฟไฟมันก็จะติดแสงสว่างก็จะมาใจของเราก็เป็นเช่นนั้น ในขณะนี้ใจของเรามันมืดบอดอยู่ยั ง, งโงเ่เขลาเบาปัญญาอยู่เพราะเราไม่เปิดสวิตไฟในใจเรานั่นเองเราไม่เปิดธรรมะ <c oughs> ให้ส่องแสงสว่างออกมาเราปล่อยให้กิเลสตัณหาเป็นตัวนําทางเราเราก็เลยว้าวุ่นขุนมัวมีแต่ความเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาเกิดมา มาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วชีวิตก็ยังเหมือนเดิ ม, ดมอยู่ยังไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงเสียทีนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจศึกษาธรรมะขับสอนของพระพุทธเจ้ากันเราเลยไม่มีแสงสว่างภายในใจเราไว้ <c oughs> นำทางเราปล่อยให้ความมืดความหลงเป็นตัวนำทาง ถึงพาให้เรามีแต่ความอยากและเมื่อเรามีความอยากความอยากนี้ก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่เดี๋ยววันนี้เราได้ยินแล้วว่าวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจก็คือการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาที่วัดอย่างเดียวการมาที่วัดก็เป็นเพียงการมาศึกษา มาฝึกฝนวิธีการปฏิบัติธรรมพอเรารู้แล้วว่าวิธีปฏิบัติธรรมคือการควบคุมจิตใจการระงับดับความโลภความอยากนั้นทาอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็นาไปปฏิบัติกับเราการปฏิบัติมันก็ปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราเท่านั้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใจของเราถ้าเราอยู่ที่ไหนเรามีสติ เราคอยดูความคิดของเราอยู่เสมอดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอว่าในขณะนี้ใจของเรามีอะไรครอบงำอยู่มีความสุขมีความสบายใจครอบงำอยู่หรือมีความทุกข์มีความกมังวลมีความว้าวุ่นขุ่นโมครอบงำอยู่ถ้าเรามีสติดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็น ส่วนที่ส่วนใหญ่เราไม่เห็นกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ดูใจเราเราจะดูสิ่งภายนอกเราจะดูคนดูสิ่งต่างๆแล้วพอเราดูเราเห็นแล้วใจของเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วเช่นพอเห็นคนคนที่เราไม่ชอบเราก็เกิดอารมณ์งกดหงิดไม่สบายใจแล้วเราเห็นคนที่เราชอบแล้วก็เกิดอารมณ์ยินดีขึ้นมาแล้ว อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนคนนั้นแล้วเหล่านี้ล้วนเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราแต่เราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้กันเพราะเราไปมัวมองข้างนอกเราเลยไม่เห็นศัตรูหรือภัยที่อยู่ภายในใจของเราแล้วเมื่อภัยมันเกิดขึ้นจากภัยเล็กๆน้อยๆเหมือนกับไฟที่จุดด้วยไม้ขีดเมื่อเริ่มก่อตัวขึ้นมา เป็นไฟกองใหญ่เราก็จะไม่มีกำลังที่จะไประงับดับได้ก็ต้องปล่อยให้ลามออกมาทางวาจาทางกายเลยไปเกิดปัญหาต่างๆตามมาเกิดการทะเลาะวิวาสผู้จะพรลุกเสวา่าเกิดการทุบตีทำร้ายร่างกายกันขึ้นมา เหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เราไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาใจเราเหมือนกับคนขับรถที่ไม่รู้จักวิธีดูแลรักษารถในขณะที่รถวิ่งอยู่ในท้องถนนไม่รู้วิธีหักพวงมาลัยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้จักเหยียบเรบรกมีแต่เหยียบคันเร่งรอยู่อย่างเดียวถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมาถึงโคง้งมันก็ต้องแหกโค้งออกไป เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงมันก็ต้องวิ่งไปชนกับรถที่วิ่งมาจากเส้นทางอื่นก็มีแต่อุบัติเหตุทันใดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่มีสติปัญญาคอยควบคุมดูใจของเราเพราะใจของเราก็คือรถยนต์แห่งชีวิตนี่แหละชีวิตของเรานี่ก็คือใจของเราคือการดำเนินของใจเราถ้าดาเนินไปโดยไม่มีการ ดูแลไม่มีเบรกคอยแตะคอยเหยียบให้หยุดไม่มีพวงมาลัยให้หักหลบไปซ้ายไปขวามันก็จะมีแต่การชนกันลูกเดียวนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่มีสติคอยดูใจของเราแต่วันนี้เราได้มายินได้ยินได้ฟังแล้วว่าใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับรถยนต์ทุกขณะที่เรามีการเคลื่อนไหว ในความคิดของเราสแสดงว่ารถยนต์ของใจเรากําลังวิ่งไปแล้วเราต้องดูว่ากําลังคิดอะไรอยู่คิดดีหรือคิดร้ายคิดไปในทางโลภโกรธหลงในความอยากต่างๆเช่นอยากในการมอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าคิดไปในทางนี้แล้วต้องเหยียบเบรคบอกว่ากําลังฝา วิ่งฝ่าไฟแดงเดี๋ยวจะต้องไปชนกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวจะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องเหยียบต้องคิดไปในทางตรงกันข้ามต้องไม่โลภต้องไม่โกรธต้องไม่หลงต้องไม่อยากในกามต้องไม่อยากมีอยากเป็นต้องไม่อยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่ถ้าเราควบคุมใจได้อย่างที่เราควบคุมรถยนต์การดาเนินชีวิตของเรา ก็จะเป็นไปได้ด้วยความราบเรื่องดีงามปลอดภัยจากพิษภัยทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ควบคุมปล่อยให้ใบตามทิศทางของกิเลสตัณหา mm. เช่นเกิดเวลาอยากเวกมีความโลภขึ้นมา mm. ก็จะต้องเอาให้ได้โดยไม่คำนึงถึงว่าวิธีการที่จะได้มานั้นจะมีผลร้ายผลดีตามมาอย่างไร เวลาโลคแล้วไม่ว่าจะเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครก็จะเอาให้ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนหรืออยากจะได้สมบัติเข้าของหรือตำแหน่งอะไรก็ตามถ้ามีเกิดมีความโลคแล้วเราต้องเอามาให้ได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดถ้าไม่ได้ด้วยความสดจริลก็ต้องมาด้วยวิธีทุจริ มเมื่อไม่ได้มาด้วยความซื่อตรงก็ต้องหามาด้วยเล่ด้วยกลถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วผลเสียมันก็จะตามมาต่อไปหรือถ้าพยายามสุดเอวิ่งแล้วก็ยังไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังตามมาน้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิน้นในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดความโลภแล้วเราใช้ปัญญาเข้าไปลงับบอกว่าไม่เอา ดีกว่าไม่เอาก็ไม่ตายขณะนี้เราก็อยู่ของเราได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่มีสามีก็ไม่เดือดร้อนไม่มีภรรยาก็ไม่เดือดร้อนถ้าคิดแบบนี้ได้ก็ปัญหาก็หมดไปไม่ต้องวิ่งไปหาสิ่งต่างๆมาไม่ต้องไปหาสามีไม่ต้องไปหาภรรยาแล้วรับรองได้เมื่อได้มาแล้วมันก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดา เหมือนที่เขาพูดว่าเเอหมือนเหมือนกับน้ําตาลเหมือนกับยาขมเคลือบน้ําตาลเวลาใหม่ๆมันก็หวานจ้อยทุกอย่างดีไปเสียหมดพออยู่กันไปสักพักหนึ่งแล้วพอท่าแท้ทา่ทาดเดิมมันเริ่มออกมาความโกรธความขี้เกียจความไม่ดีอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจมันก็จะแสดงออกมาเมื่อ น, นั้นแหละความหวานทั้งหลายมันก็จะหายไป มีแต่ความขม อ, อยู่นี่แหละคือลักษณะของสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้เวลาที่เราอยากได้เวลาได้มาใหม่ๆมันก็ดีมันก็หวานแต่พออยู่ไปสักพักมันก็เกิดความเคยชินแล้วก็เกิดความเหนื่อยหน่ายขึ้นมานี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันจึงทำให้เราต้องหาใหม่เรื่อยๆเวลาได้อะไรมาวันนี้ใหม่ๆก็ดีใจ ใช้ไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นของเก่าไปเสียแล้วพอดีบริษัทที่เขาผลิตสิ่งของต่างๆเขาก็ฉลาดเขาก็ดานเอาของใหม่ๆออกมาล่อใจยอยู่เรื่อยพอเห็นรุ่นใหม่ๆออกมาก็อดที่อยากไม่ได้ก็ต้องไปหาหมาซื้อมาอีกก็ต้องเหนื่อยต้องไปทามาหากินอย่างนี้เป็นต้นจิตก็เลยไม่เคยมีความอิ่มไม่เคยมีความพอถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแล้ว ไม่มีความสุขต่อให้มีมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่มีความสุขเพราะความอิ่มความพอมันยังไม่มีนั่นเองและความอิ่มความพอก็ไม่ได้เกิดจากการได้มามากหรือน้อยเท่าไหร่ได้มามากมันก็ยังไม่พอได้มาน้อยมันก็ยังไม่พอแต่ความอิ่มความพอนี้มันเกิดจากการดับความอยากความโลภต่างหาก เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากแล้วไม่โลภตามไม่อยากตามไม่ช้าก็เร็วความอยากและความโลภนั้นมันก็จะหมดกําลังแล้วมันก็จะหายไปเมื่อความโลภความอยากมันหายไปแล้วใจก็จะอิ่มใจเกลียวจะพอนี่เป็นธรรมชาติของใจซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เราคิดกันเราคิดว่าถ้าเรามีมากๆได้มากๆ เราจะมีความอิ่มมีความพอแต่ไม่ใช่ความจริงของใจแล้วมันต้องไม่อยากมันต้องไม่โลภมันถึงจะพอแต่การจะต่อสู้กับความโลภ ก, กับความอยากนี้สู้ด้วยความอดทนเฉยนิ่งอยู่เฉยเฉยอย่างเดียวนั้นจะสู้ไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังพอที่จะต้านความโลภ ก, กับความอยากเราจึงต้องใช้วิธีปฏิบัติธรรมมาต่อสู้อย่างที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้น เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็กำหนดดึงจิตเข้ามาอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราโลภดึงจิตเข้ามาหาพุทโธพุทโธพุทโธหาบทสวดมนต์หาลมหายใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันใดอันหนึ่งอย่างเดียวก็พอถ้าจะอยู่กับลมก็อยู่กับลมลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกรู้อยู่แค่นั้นแหละอย่าไปรู้เรื่องอย่างอื่นหรือจะ บริกรรมคำว่าพุโทโธอยู่ในใจไปก็ได้ก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าไปคิดเรื่องอย่างอื่นหรือจะสวดมนต์ภายในใจไปก็ได้สวดไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดจนกว่าใจจะหายโล่งใจจะหายอยาเมื่อใจสงบใจสบายแล้วก็มานั่งใช้เหตุผลพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันจำเป็นไหม เช่นเราต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่เสื้ชุดหนึ่งพอดีออกไปเดินช้อปปิง้งเห็นชุดนี้มันสวยอยากจะใส่เนอะมันดูว่าในตู้เสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่ผี่ชุดแล้วเราไม่พอใส่เลยมันขาดแล้วเหรอมันเก่าไปแล้วหรือมันเล็กไปแล้วเหรอหรือมันใหญ่ไปแล้วหรือเอ่อถ้ามันมีเหตุผลว่าเออเสื้อผ้าที่มีอยู่มันใส่ไม่ได้จริงๆจําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นความโลภ มันเป็นปัญญาเพราะมันเป็นความจำเป็นแต่ถ้าของเก่าที่เรายังมีอยู่นั้นยังเหลือใช้อยู่ยังดีอยู่แล้วเราไปซื้อมาใหม่ทาไมอย่างนี้มันเป็นความโลภมันจะให้ความสุขเราแค่ชั่วไม่กี่วันตอนที่เราได้มาใหม่ๆนี้ไม่ดีสสยเพียงครั้งเดียวก็อาจจะไม่ใส่แล้วก็ได้เพราะดูแล้วมันไม่ถูกกับบุคลิกของเราแต่ในขณะที่มองในเบื้องต้นมันเห็นว่าดีไปหมด นี่คือลักษณะของกิเลสตัณหาเวลามันโลกมันอยากนี่มันเห็นอะไรดีไปหมดไม่มีอะไรไม่ดีเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ล